เจริญพรท่านสาธุชนพุทธมัสยภูบาโสอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันพุธที่สิสสิงหาคมพุทธศักราชสองพเป็นวันพระวันธรรมสวัสดวันเจริญ เนกข ม, มาบรบามีเป็นวันที่เราจะมาละการหาความสุขทางการมาุณทั้ง5คือรูปเสียงกลิก่นโลกโสดาบันแล้วหันเข้ามาหาความสุขที่เกิดจากความสงบก็ เ, เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลาย เป็นความสุขที่จะอยู่ไปกับเราไปตลอดส่วนความสุขตางตาหูจมูกลิ้นกาเป็นความสุขเชื่อกราวเดี๋ยวก็หมดสภาพไปรูปเสียงเก่นโน้โพธภาพก็ไม่เทียมแท้แน่นอนมีมามีไปมีเจริญมีเสือ่อม ตาหูจมูกมึนกายก็มีแต่จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะหมดสภาพถ้ายัางไม่มีความสุขทางจิตใจความสุขจากการทำใจให้สงบเวลาที่ตาหูจมูกมินกายไม่สามารถหาความสุข ทางรูปสิงกิริยปรุ่นปวดตาได้เวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่มีแต่ความทุกข์ทรมารใจแต่ถ้ามีความสุขทางใจมีความสุกใจจะไม่เดือดร้อนใจจะมีความสดหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าจึงโศกบัญญัะวันธรรมัสสวนาะ วันฟังเทพ ฟ, ฟังธรรมวันสร้างบุญบารมีให้พุทธบริษัทได้ปล่อยวางภารกิจทางโลกต่างๆเพื่อที่จะได้มาสร้างภารกิจมาปฏิบัติภารกิจทางใจก็คือมาสร้างเมคขัมมะบา ร, รมีการออกจากกวามสุด ออกจา ก, กรูปเสียงกลินลดโลทภะด้วยการสมาทานสีงแปดคือสีลข้อสารก็จะเป็นอัปปรรมาจริยาจะละเว้นจากการร่วบรอนร่วมหลับนอนกับคนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคู่คองของตนหรือไม่ก็ตามจะละเว้นจากการรับประทานอาหาร ไม่มีร่ำไม่มีเวลาเกินขอเขตคือจะรับไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะการรับประทานอาหารช่วงเช้าถึงเที่ยงก็เป็นพอพอเพียงกับความต้องการของร่างกายรับรองได้ว่าถ้าไม่ได้รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะไม่ตายโดยเด็ดขาดแต่จะเป็นประโยชน์ กับจิตใจพ่อใจจะได้ไม่ต้องมาภาวพผวรเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการรับประทานอาหารจะได้มีเวลาที่จะมาเจริญจิตตภาวนา<ม>เพื่อทำใจให้สงบ<ม>เพื่อทำใจให้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่จะได้รับจากการร่วมหลับนอนกับ คนนั้นคนนี้จากการรับประทานอาหารแบบไม่มีของไม่มีเขตจากการหาความสุขจากแหล่งบันเทิงต่างๆเช่นการดูการฟังการดื่มการรับประทานเพื่อให้เกิดความสุขทางตามความอยากความสุขเหล่านี้เป็นความสุขที่เป็นเหมือนยาพิษเพราะว่าเป็นความสุขที่ เคลือบความทุกข์อยู่นั่นเองเคลือบความอยากความต้องการไม่ได้เป็นความสุขที่จะทำลายความอยากความต้องการให้หมดไปเวลาได้เสกรูปเสียงจิตโลดโผดทำภาก็จะเกิดความสุขขึ้นมาชั่วระยะหนึ่งหลังจากนั้นพอความสุขนี้จะหายไป าอยากจะเสกก็ปรากฏขึ้นมาใหม่ถ้าไม่สามารถเสกความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายได้ก็จะเกิดความทุกข์ทรมารใจถ้าเสกได้ก็จะเกิดความอยากที่จะเสกขึ้นมาอีกจนถึงวันหนึ่งจะต้องไม่มีความสามารถที่จะเสกได้เช่นเวลาหมดเนื้อหมดตัวเงินทองไม่มีใช้ หรือว่าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือร่างกายตายไปเวลานั้นจะไม่มีความสามารถที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็จะเป็นเวลาที่จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจพระพุทธเจ้าทรงเห็นภัยของความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสปุถุตบารจึงสอนให้ สาธุชนพุทธบษัทมาเจริญในขัมมะบามีกันมาถือสิงแดกันมาละเว้นจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่มงวันไปแล้วละเว้นจากการหาความสุขจากแหล่งบันเทิงต่างๆละเว้นจากการแต่งเนื้อแต่ตงตัว ด้วยเสื้อผ้าพ่อนที่วิจิตริลดาและเว้นจากการใช้เครื่องสมอางใช้น้ำหอมน้ำมันต่างๆเพื่อตกแต่งให้ร่างกายดูสดสวยซึ่งเป็นความสวยปลอมไม่ใช่เป็นความสวยจริงเป็นความสวยงามเพียงชั่วคราวเพราะร่างกายโดยธรรมชาตินี้เป็นร่างกายที่ไม่สวยไม่งาม เป็นร่างกายที่มีความศพกมีสิ่งเป็นปฏิกูลต่างๆขับถ่ายออกมาอยู่ตลอดเวลาจะปกปิดอย่างไรก็ปกปิดไม่ได้ไม่ช้าก็เร็วความไม่สวยไม่งาความเป็นปฏิกูลของร่างกายก็จะปรากฏขึ้นมาเช่นเวลาที่คนตายไปแล้วจะไม่มีใครว่าศพนี้สวยงาม น, น่ารัก น่าชื่นชมเลยจะมีแต่คนอยากจะให้เอาไปเผาเอาไปฝังไม่อยากจะอยู่ก็ได้เพราะนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงของร่างกายจึงอยากไปเสียเวลากับการปรุงแต่งประดับประดาด้วยเสื้อผ้ า, าพรวิจิตรพิสดารประดับด้วยน้ำหอมน้ำมันเครื่องสำอางต่าง เป็นการหลอกลวงตนเองและผู้อื่นจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าหลงลักในร่างกายเพราะเวลาที่ร่างกายนั้นหมดสภาพหมดความสวยงามไปก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจเกิดความทุกข์ใจตามมาแล้วก็จะไม่หาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไป หลับนอนพอพักผ่อนให้ร่างกายได้พักผ่อนก็พอแล้วธรรมดาร่างกายนี้ถ้าได้นอนสัก4ีห้าชั่วโมงก็จะพอกับความต้องการของร่างกายแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆเวลาร่างกายได้พักผ่อนแล้วตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะลุกว่ามันนอนสบายก็จะนอนต่ออีกสีห้าชั่วโมง ทำให้เสียเวลาอันมีคุณค่าที่จะมาใช้ในการเจริญจิตตภาวนาในการที่จะมาทําให้จิตใจมีความสงบมีความสุขพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รักษาสีแปดกันในวันพระวันธรรมดาวันอื่นก็ให้รักษาศีห้าเพราะศี น, นี้เป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจ ปกป้องจิตใจไม่ให้ตกต่ำไม่ให้ต้องไปเกิดในอบายไม่ให้ไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไม่ให้ไปตกนรกอันนี้คืออำนาจของสีถ้าผู้ใดรักษาศีห้าได้อย่างแน่วแน่มั่นคงผู้นั้นจะไม่ไปเกิดในอบายแล้วถ้าผู้ใดสามารถรักษาสีาแปได้ ทำใจให้สงบได้ผู้นั้นก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นรกลนี่คืออ น, นิสส์อันยิ่งใหญ่ของการรักษาศีลรักษาศีลห้าก็ไม่ต้องไปเกิดในอาบายไปเกิดในสวรรค์ชั้นเทพรักษาศีลแปก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นโกลนแต่ต้องมีการทำทานด้วยถ้าไม่ทำทานก็จะ กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไม่ทำทานไม่ทำบาปตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดบนสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าทำทานด้วยรักษาสีหน้าได้ด้วยก็ไปสวรรค์ชั้นเทศถ้าทำทานรักษาสีแปดทำใจให้สงบได้ก็จะไปสวรรค์ชั้นพรหมแล้วถ้า จเจริญวิปัสสนาภาวนาได้จเจริญปัญญาได้ทำให้ใจมีดวงตาเห็นธรรมเห็นความจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถไ ป, วปควบคุมบังคับไปสั่งให้เขาให้ความสุขกับเราได้ไปตลอดเวลาบางเวลาก็สั่งได้บางเวลาก็สั่งไม่ได้ เวลาสั่งไม่ได้ก็เป er ็นเวลาที่จะร้องทุกข์ท่านจึงเรียกว่าทุกข์เพราะว่าไม่สามารถตอบสนองตามความอยากได้แต่ถ้าใจไม่ได้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาก็จะไม่ทำให้ใจของเราทุกข์ความทุกข์ของใจเราเกิดจากความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เราก็จะไม่ถูกถ้าเราอยากจะไม่มีความอยากเราก็ต้องเห็นว่าเขาไม่เทียงเขามีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการเสือ่อมเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับให้เขาไม่เสือ่อมได้เช่นเราไม่สามารถควบคุมบังคับไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ร่างกายตายได้ เาะี่เป็นธรรมชาติของร่างกายที่ไม่มีใครที่จะมายับยั้งไปสั่งให้เขาเป็นอย่างอื่นไปได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากอยากไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าไม่อยากแล้วเวลาเขาแก่ก็จะไม่ทุกข์เวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทุกข์เวลาตายก็ไม่ทุกข์ ผู้ที่ไม่มีความทุกข์ก็คือพระอริยเจ้าขั้นต่างๆนั่นเองตั้งแต่ท่านโสดาบันพระเศรษดาคามีพระอนาคามีพาาระอรหันต์ท่านเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นอนิจกทุกขังอนัตตาเห็นความไม่สวยงามของร่างกายท่านจึงไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกาย ร่างกายจะเป็นอะไรท่านก็ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่ไปลกไม่ไปรักไม่ไปหลงไม่ไปชอบไม่ไปยึดไปติด <c oughs> ปล่อยให้ร่างกายเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเพราะรู้ว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรู้ว่าร่างกายนี้ไม่สวยานามจะต้องกลายเป็นซากศพไปสักวันหนึ่ง ขณะที่อยู่ก็มีแต่สิ่งโสปกปรกเป็นปฏิกลขับถ่ายออกมาอยู่เรื่อยๆตามทวางต่างๆออกมาทางตาก็เรียกว่าขี้ตาออกมาทางหูก็เรียกว่าขี้หูออกมาทางจมูกก็เรียกว่าขี้มูกออกมาตางส่วนต่างๆก็เรียกว่าเป็นปฏิกูลทั้งนั้นนี่คือความจริงของร่างกายที่ ปุุชนโยนา่พวกเหล่านี้จะมองไม่เห็นกันต้องเป็นพระอริยเจ้าถึงจะสามารถมองเห็นความจริงเหล่านี้ได้เพราะท่านจะเจริญวิปัสสนาอยู่เรื่อยๆก็คือการพิจารณาอยู่เรื่อยๆนำลึกอยู่เรื่อยๆเช่นพระภิกษุที่มาบวชในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็สอนตั้งแต่วันบวชเลยให้พิจารณาร่างกาย พิจารณาอาการส2สองเริ่มต้นที่ผมขนเล็บฟันหนังเกสรโลมาหน้าขาดานตาตาโจอย่าไปคิดถึงว่าอย่าไปคิดถึงร่างกายที่สวยงามให้คิดถึงอาการของร่างกายต่างๆเราจะเห็นว่าไม่สวยงามเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันเห็นเนื้อแล้วก็เห็นหนัง เห็นหนังเห็นเนื้อแล้วก็เห็นอาการต่างๆเห็นกระดูเห็นโครงกระดูเห็นตับไตปอดหัวใจม้าเห็นนะลำไส้น้อยลาไส้ใหญ่เห็นอาการต่างๆในร่างกายถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆต่อไปก็จะเห็นหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็น เวลาเห็นคนจะไม่เห็นว่าเป็นหญิงเป็นชายจะไม่เห็นว่าสวยว่างามจะเห็นว่าเป็นเพียงอาการสาสองที่ไม่น่าดูไม่น่าไม่น่าชื่นชมยินดีไม่น่ารักใครแต่อย่างใดก็จะไม่มีความหลงรักหลงชอบไม่มีความผูกพันยึดติดเห็นแล้วก็ปล่อยวาง ร่างกายจะเป็นอย่างไรก็ไม่เดือดร้อนถ้าไม่เห็นก็จะหลงรักก็อยากจะได้เอามาเป็นสมบัติของตนเห็นผู้ชายน่ารักก็อยากจะเอามาเป็นสามีเห็นผู้หญิงน่ารักก็อยากจะเอามาเป็นภรรยาพอมาเป็นภรรยาเป็นสามีก็เกิดอาการหึงหวงเกิดความห่วงใย เวลาเขาไปพูดกับคนอื่นก็เกิดอาการหุงหวงขึ้นมาเวลาเขาไม่เห็นไม่อยู่ไม่เห็นหน้าเห็นตาการก็เกิดความห่วงใยเวลาที่เขาจากไปก็เกิดความเศร้าส่งเสียใจอันนี้เป็นความทุกข์ที่เกิดจากการไปหลงไปรักไปชอบไปอยากให้เขาอยู่กับเราไปนา น, าน อยากให้เขาสวยงามไปนานๆาพอเวลาที่เขาไม่อยู่เวลาที่เขาไม่สวยเวลาที่กลายเป็นซากศพไปก็กลายเป็นเวลาของความทุกข์ขึ้นมาผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นความจริงเหล่านี้จะไม่หลงหลายข้างใครกับร่างกายจะไม่อยากมีร่างกายของใครมาเป็นสมบัติ แม้แต่ร่างกายของตนก็ไม่ยึดไม่ติดเพราะรู้ว่าร่างกายของตนก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดผู้ที่ไม่ยึดไม่ติดไม่มีความหยากจะเป็นผู้ที่ไม่ทุกข์กับความแก่ของร่างกายกับความเจ็บกับความตายของร่างกายจะอยู่อย่างสบายไม่เดือดร้อนจะอยู่อย่างมีความสุข ที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ไดจากการมีสามีมีภรรยาความสุขที่ได้จากการเสบรูปเสียงกลิ่นโน้นผลทพะชนิดต่างๆอันนี้และเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่จะอยู่กับใจไปตลอดหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความสุขอันยิ่งใหญ่นี้ ก็จะอยู่กับใจต่อไปใจจะไม่มีวันหมดความสุขไม่เหมือนกับความสุขของใจที่ยังต้องอาศัยร่างกายให้ความสุขอาศัยตาหูจมูกลิ้งกายให้ความสุขพอเวลาไม่มีร่างกายใจก็จะทุกข์ทรมานใจจะต้องดิ้นรนหาร่างกายใหม่มาเสพเพื่อจะได้เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่อไป ถ้าทำบาปก็จะได้ร่างกายของเดรัจฉานกลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานเพราะไม่รักษาสี่หน้ามาเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสเหมือนกันแต่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสของเดรัจฉานไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์จนกว่าจะใช้บาปจนหมดก่อนถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ ซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดสิ้นจนกว่าจะสามารถหยุดความอยากต่างๆภายในใจได้จะหยุดความอยากได้ก็ต้องมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอนนี้จางทุกขังอนัตตาเห็นอสุภะความไม่สวยไม่งามของร่างกายของสิ่งต่างๆจะเห็นได้ก็ต้องเจริญต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ต้องพิจารณาความไม่เที่ยมอยู่เรื่อยๆพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถอยู่ภายใต้อำนาจของเราเราไม่สามารถไปสั่งให้เขาไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้หรือสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ถ้าเห็นความจริงอย่างนี้ก็จะไม่เกิดความอยาก พอไม่เกิดความอยากก็จะไม่เกิดความทุกข์ใจไม่เกิดการที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือหน้าที่ของพวกเราที่พระพุทธเจ้าจงมอบไว้ให้กับพวกเราเพื่อให้พวกเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้พบกับความสุขอันยิ่งใหญ่ความสุขที่เลิศที่วิเศษที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลาย ได้พบกันแล้วได้มีกันแล้วเป็นสิ่งที่พวกเราสามารถทํากันได้ทุกคนถ้าอยากจะทําถ้าไม่อยากจะทําก็จะทําไม่ได้แต่ถ้าอยากจะทําแล้วไม่มีอะไรที่จะสามารถที่จะมากีดกันกีดขวางความสามารถของพวกเราได้ mm hmm. พวกเราเกิดแก่เวียนว่ายตายเกิดมา ไม่รู้กี่ล้านครั้งแล้วยังทำได้เพียงแต่หยุดความอยากเท่านี้จะทำทำไมจะทำไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ทำมาแล้วพระอริยสงสาวุกทั้งหลายก็ทำมาแล้วก่อนที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอริยสงสาวุกท่านก็เป็นคนธรรมดาเหมือนพวกเรามีความอยากเหมือนกันเพียงแต่ว่าท่านเห็นว่า เกิดมาแล้วต้องมาแก่มาเจ็บมาตายได้อะไรมาแล้วก็จะต้องมาทุกข์ท่านจึงเบื่อกับการได้สิ่งต่างๆมาจึงไม่อยากจะมีสิ่งต่างๆท่านจึงสามารถหยุดความอยากที่จะได้สิ่งต่างๆมาได้พวกเราก็จะทําได้เช่นเดียวกันถ้าพวกเราเบื่อกับการที่จะต้องกลับมาเกิดกลับมาแก่กลับมาเจ็บกลับมาตาย เบื่อกับการที่จะต้องหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขแล้วก็ต้องมาทุกข์กับเวลาที่เสียนเสียสิ่งต่างๆไปถ้าพวกเราคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปพวกเราก็จะเบื่อขึ้นมาเองพอเบื่อแล้วก็จะเกิดความอยากที่จะหยุดความอยากพอเกิดความอยากที่จะหยุดความอยากเราก็จะมีความอยากจะเข้าวัดกันอยากจะมา รักษาสิ่งแปกันอยากจะมาเจริญจิตตภาวนาทำใจให้สงบกันพอเราเกิดความอยากแล้วเราก็จะทำตามความอยากจะมารักษาสิงแปลกจะมานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมจะมาสอนใจให้ฉลาดไม่ให้หลงกับสิ่งต่างๆในโลกนี้สอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงมีเกิดมีดับ ไปห้ามเขาไม่ได้ เ, ออเวลาเขามาอย่าไปหลงดีใจเพราะเขามาแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องไปออถ้าเราไม่ไปหลงดีใจเวลาเขาไปเราก็จะไม่เสียใจเราจะไม่ทุกข์ใจเพราะเรารู้ล่วงหน้าไว้แล้วว่าเดี๋ยวเขาก็ไปออคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะใจของเราจะเย็นจะสบายจะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากมีอะไรจะไม่ทุกข์กับการ สูญเสียของสิ่งต่างๆไปนี่แหละเรื่องของพวกเราหน้าที่ของพวกเราถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่ได้เพราะไม่มีใครทำแทนเราได้เหมือนกับการรับประทานอาหารไม่มีใครรับประทานอาหารแทนเราได้ถ้าเราไม่รับประทานอาหารเราก็จะต้องหิวจะต้องอดแต่ถ้าเรารับประทานอาหารเราก็จะอิ่ม ขอให้เราเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับการรับประทานอาหารถ้าเราปฏิบัติตามแล้วใจของเราจะอิ่มใจของเราจะไม่หิวจะไม่อยากใจของเราจะไม่ทุกข์เหมือนกับร่างกายถ้าเรารับประทานอาหารแล้วร่างกายของเราก็จะอิ่มจะไม่ทุกข์จะไม่อดอยากขาดแคลน จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ตายไปฉันใดใจของเราถ้าปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีความสุขมีความอิ่มจะไม่มีความทุกข์นี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องทํากันให้ได้เพราะว่าถ้าไม่ทําเราก็จะต้องทุกข์ต่อไปจะต้องอยากต่อไปตอนนี้มันไม่ทุกข์ตอนนี้มันไม่อยาก จะไม่รู้สึกว่าเป็นอย่างไรลอเวลาที่มันทุกเวลาที่มันอยากเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอมพึกอมภพาดทำอะไรไม่ได้อย่างนี้จะรู้สึกว่ามันทุกความทุกว่าเป็นอย่างไรหรือเวลาไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคเบาหวานกินน้ำตาลไม่ได้เป็นโรคไขมันกินอาหารมันๆไม่ได้ ได้กินแต่ข้อต้มกับผักอย่างนี้ก็จะรู้ว่าความทุกข์นี้เป็นอย่างไรแต่ถ้าเรามาปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนมาหยุดหาความสุขจากการกินการดื่มแล้วมาสร้างความสงบให้กับใจพอเรามีความสงบของใจแล้วเราจะไม่หิวไม่อยากกับเรื่องการกินการดื่มเวลาจะกินจะดื่มก็จะ กินดื่นแบบเวลากินยากินไปเพื่อรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นแต่จะไม่หาความสุขจากการกินจากการดื่มไม่มีกินก็ไม่เดือดร้อนไม่มีดื่มก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจมีอาหารที่ดีกว่าก็คือความสงบที่เกิดจากการรักษาศีนแปดที่เกิดจากการนั่งสมาธิที่เกิดจากการสอนใจให้ฉลาด ไม่ให้หนุนกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ถ้าเราทำไปแล้วต่อไปเราจะมีความสุขตลอดเวลาร่างกายแก่ก็ไม่เดือดร้อนร่างกายเจ็บไข้ได้ปวดก็ไม่เดือดร้อนร่างกายตายไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรามีอาหารมีที่พึ่งทางใจแล้วเราไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งอีกต่อไป ร่างกายจะเป็นจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนี่คืออ น, นิสงที่เราจะได้รับจากการมาบำเพ็ญบุญบาลีเช่นนม่ขมมากบาลีขอให้พวกเราพยายามทำให้มากขึ้นไปตอนต้นก็ทำวันพระไปก่อนต่อจากนั้นถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์มีความสุขก็อยากจะทำเพิ่มมากขึ้นต่อไปก็จะทำได้ทุกวัน ทำได้ทุกวันก็ออกบวชได้บวชได้ก็จะสามารถทําให้ใจมีความสุขได้ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะวิเศษเท่ากับการออกบวชเพราะการออกบวชนี้เป็นการให้ความสุขแก่ใจอย่างถาวรมันเองจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาละความสุขทาง รูปสียงเก็บลบโภธาพะมาเจริญในคขมะบาณีมาเจริญความสุขทางใจเจริญความสงบแล้วเพื่อความสุขที่แท้จริงเพื่อความสุขที่ถาวรที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติดไว้เพียงเท่านี้